ที่คนยอดฮิตเลยแหละคนทั้งโลกเป็นมากที่สุดเป็นมากต่อมะเร็งโรคที่คนเป็นมากต่อมะเร็งคือปวดตึงเมื่อยตามเมื่อตามตัวนี่แหละปวดตึงตามร่างกายเนี่ยปวดตึงแข็งตามร่างกายเนี่ยทุกส่วนในร่างกายแต่ปวดตามร่างกายตึงแข็งตามร่างกายเป็นมากกว่มามะเร็งอีจริงโรคที่คนเป็นมากที่สุดในโกรกคือโรคปวดร่างกายคนเป็นเมื่อยตามร่างกายจริง <c oughs> เป็นมากกว่ทุกโรกมีใครไม่เป็นมากยกมือดิ ทีการไม่เป็นลมนี่บ่นใช่ไหมเป็นนัางนั่นแหละ้าวสารทดลองนเป็นนั่งนั่งแหละจะเป็นมากเป็นน้อยใช่ไหมจะเป็นมากเป็นน้อยเป็นชั่วคราวหรือเป็นประจำเขงดันเองใช่ไหมโดยส่วใหญ่ก็จะเป็นบ้างเป็นคราวๆอยู่บางทีไม่บ้างนะหนาด้วยถึงเยอะๆตันอะไรหลายบ้านหลายบ้านแต่ก็จะปวดเมื่อยแลตัวดริดกันเยอะ ปวดเมื่อยนืตัวจนถึงขั้นมากเข้ามากเข้าก็จะมึนชาอาการปวดเมื่อยตึงแข็งตามเนื้อตัวเนี่ยเป็นการวันใครมี่าการเหล่านี้นะสอมันมันสอถึงร่างกายเริ่มสะสมพิตร้อนเริ่มสะสมพิตรอนสะสมแรกแรกมันมักจะเป็นตัวนี้แหละก่อนปวดเมื่อยตึงกําลังตกเนี่ยมันจะเป็นตัวนี er. ้ก ob ่อนเลยนะเนี่ยมันสะสมพลตรอนพวกนี้มันจะมาก่อนเพื่อนเลยเป็นมากเข้ามากเข้าอาการต่างๆเยเดี๋ยวดึงไปหาอะไรนั่นแหละ ทำไมมันจึงปวดอ่าประเด็นนี้ทำไมมันจึงปวดเหตดที่ปวดเพราะความร้อนเผาเส้นประสาทให้ปวดนะครับคล้ายๆกับไฟไหมน้ำร้อนลวกนี่ปวดไหมปวดแสบออกล้อเลยปวดแสบออกล้อเลยทําไมมันถึงปวดเพราะความร้อนของไฟของน้ำร้อนเผาระบบประสาทใช่ไหมเผาเนื้อเยื่อเผาระบบประสาทมันจึงปวดเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาว่านหากระเขมาใส่ นะเอายาที่มันเย็นเ็นมาใส่เอาอะไรก็ไม่รู้แหละเย็นเย็นมาใส่อ า, อ า, ก, านะอการปวดลดลงไหมลดลดลงทําไมมันจึงลดลงระบายเอเพราะมันเย็นเพราะมันระบายความร้อนเพราะความร้อนระบายมาที่ความเย็นใช่ไหมความเย็นะนะระบายเข้าไปเพระฉะนั้นเซลล์มันเย็นลงพอเซลล์เย็นลงปุกก็ไม่มีความร้อนเผาระบบประสาทเมื่อไม่มีความร้อนเผาระบบประสาทจึงอาการปวดจึงลดลงจึงลดลงหือหายไปนี่แหละ ฉันได้ก็ฉันนั้นครับเราปวดตามที่แตกตของร่างกายเป็นเพราะความร้อนห้าหกสาเหตุแั่แหลกเผาระบบประสาทตรงนั้นมันจรงรู้สึกปวดเขาหัวมันก็ปวดหัวเขาแขนก็ปวดแขนเขาขาก็ปวดขาเขาข้อก็ปวดข้อเขาตับก็ปวดตับเขาทุ่งก็ปวดทุมงเขาไหนก็ปวดนั่นเพรามแล้วมันเผามันจะปวดเป็นทัจจ์เลยคุณไม่เชื่อกูลองเอาไฟมาเผาดูเองดูไม่ปวดมันแตกผมได้มันจะปวดนะมันจะปวดอันนี้แหละ แต่แล้วมีความปวใช่ไหมอ่าพราะเราเอาเย็นใส่เข้าไปมันก็ไปดับพิษโซนสมมติเอ๊ะเนี่ยหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทาไมล่ะกินน้ำโคลออฟีนเฉยทำไมมันไประงับปวดได้กินน้ำโคลออฟีนเฉยไม่ได้จะไประงับปวดได้เหตุที่กินน้ําโคลออฟีนไประงับระงัปวดได้เพราะว่าเรากินเข้าไปปุ๊บความเย็นมันก็เคลื่อนเข้าไปที่เซลล์เราความร้อนมัเคลื่อนออกมาหาหาสารที่เป็นน้ำโคลออฟีนนะครับพอเคลื่อนออกมาปุ๊บ มันก็เย็นลงมันก็หายปวดนี่แหละเวลาไข้ขึ้นปวดเพราะตัวร้อนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเพราตัวนี้ทํามากินน้ำคลอโรฟิลแล้วมันหายปวดท้องปวดแข้งปวดขาปวดเนื้อปวดตัวทําไมมันหายต้องควมเย็นไปดับพิษร้อนปางกันกับยาแค่ปวดนะครับยาแค่ปวดก็ออกฤทธิ์ไงครับยาแค่ปวดปวดประสาทไว้ยารู้ว่าปวดยารู้ว่าปวดยารู้ว่ามีพิษยารู้ว่ามีพิษฉันรูมีพิษหนึ่เขากดประสาทไว้ ไม่ให้ระบบประสาทของเรานั้นหลั่งสารโพสต้าแกนีออกมาซึ่งเป็นสารที่ทําให้เรารู้สึกปวดพอหลั่งสารโพสตาแกนีหลังของความเครียเราจะไม่รู้สึกปวดแต่ถาว่าพิษยังอยู่ในร่างกายไห ม, ไมก็ยังอยู่เหมือนเก่างั้นหลอกตัวเองเฉยๆว่าไม่ปวดว่าไม่มีพิษ ความคิดพิษจทำลายอยู่เมื่อคุณป่อยคุณหลอกตัวเองเนี่ยิแก้ปวดหลอกตัวเองไว้กวดประสาทตัวเองไว้ต่บพิษมันก็สสมมากเข้ามากเข้ามันก็ทำลายไปเรื่อยๆทำลายไปเรื่อยๆยาก็ทำลายระบบประสาท ย, ยาก็ทำลายตัทำลายไตยเราสุดท้ายระบบประสาทพังตัดไปพังหมดตอนนี้หมอแพทย์ี่บ้านพบว่ายากแก้ปวดทุกชนิดนะครับตั้งแต่มาราขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยผมปไปประชุมบ่อยเนี่ยอาจารย์หมอมาเล่าให้ฟังเพียบนะอาจารย์าแต่รักษามาทุกท่านูดมกันหมดตอนนี้มีการวิจัยออกมาแล้วว่ายาแก้ปวดทุกชนิดนะเป็นต้นเ จะทำให้ความดันมันขึ้น ทุกความดันโลหิตที่ขึ้นหนึ่งมิลิเมขีดเดียวที่เขาว่าแต่ขีดเดียวนะคือความเสื่อมของสมองระบบประสาทเราเ้ว่อนี่คือการวิจัยของหมอแพทย์ปัจจุบันนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณหมอแพทย์ปัจจุบันนะเดี๋ยวกว่าเขาเดี๋ยวกาขอบคุณเขาอย่างเงี้ยเอาคนที่ไมู่้ก็ว่านะส่วนที่ดีก็ขอบคุณอ่มันเป็นแยกดีแยกชั่วสิคนเราเนี่ยแยกถึงแยกิดนนะส่วนดีาก็มีไม่ติที่งเขาหมดหรอเขารบเ้าอยู่ผมเขารบหมอแพทย์ปจบันเขาอยู่ในส่วนที่เขาดีย มันจริงนะครับมันจริงเขาวิจัยมาจริงพวก น, นี้กนะ็ก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกเม็ดของยาแค่ปวดคือการพันของสมองคุณระบบประสาทคุณหลอดเลือดคุณหลอถึงตาแล้วก็ไตคุณเพราะฉนั่ย่าสนุกนะคุกี้ว่ า, าพี่ได้แกปวดแล้มันจะมันเหรอพีชื่อว่ามั น, นมันไม่มันลงนะร่างกายทางไม่จะวิกินเล่นๆหัวหัวไม่ไม่สนุทกทาไมแต่ก็ปวดทําได้ล่ะ แต่ถ้าพเพราะมันม่ดแก้ตนเหใช่ไมแต่เราไปปักทุบดเลยใช่หเร้อนเผาเราไปัดร้อนเลยจบเลยใช่ไหมมันแก้ต่างกันคนนึงแก้ตายเหคนนึงแก้ต้เ น, น, นตเลยนะมันก็จะต่างกันอย่างเงี้ยแล้วทำไมมันถึงตึงล่ะทีนี้มันตึงก็เหมือนกันทนายกับเนื้อเอาไปเผาไฟก็แข็งขึ้นเนื้อเอาไปต้มมันก็แข็งขึ้ น, น, ม, น, นมันก็ตึงสิพอร้อนเผามันก็ทปวดทันตึงอยู่ทีนี้ตึงแ้ฮะแขงไปบ่ใจสั่นแขงไปบ่จะบอกแขง ฟื้นตึงเชอ แข้งอะไรแข้งนะแข้งมันเข้งเพ้ยนตึงไปหมดแล้วเขามากขนาดก็ึงมากลนามันริ่ทั้งปวดทั้งตึงนะแต่พอเราทให้มันเย็นนมันกำเยันกคลายเป็นสับจากตมันคลายเรื่อยึดีสังเกตได้หลายคนพอมาได้วันที่สี่จะสังเกตตัวเองมันเบาเนื้อเบาตัวขึ้นเนื้อตัวเริ่ดเื่ยงดีขึ้นเอออยู่ค้างันแรกเออแข่งกันันกง้แขโอ้แท้ที่โอ้แททีโกแข่งั อะไรก่นะขยับที่ไนก็โอ้โหยังกงอะไรกูไม่รู้นะอะไหุ่นยนต์นะขยับต้มนก็โอ้โหไปหมดนะเอ๊วันที่2องวันที่สามเจ๊กเอก็ยไม่อบแล้วเอ๊ก็ยังไมแล้วเอ๊ปลี่ยนแปลงเพล่นแปลอราที่สี่มาแลอะไรกเลยชิคกอนธาแล้วใช่ไหมไม่ได้เห็นม่ไเห็นก้าวแล้วกูไม่จะคลายเพราะว่ายาเกาเม็ดกูทมาตั้งแต่วันแรกแล้วรอนกินร้อนกินน้สโซลูฟีกินอาหาริดเย็นตัวซะาอกการมันไปไรทํามานำานมาที่ร้อนมันออกไป พอไปนอนออกไปก้ามแล้วจะยืดยุนดีอาจะเริ่ยืดุนดียืดยุนดียืดหยนดีเป็ น, ปนแคไนเป็นสัจจาเดี๋ยวกลับมาปน้นั้นเจ็วันเดี๋ยวคอยดูที่นี้นะอดเจดวันแล้วสับตุกเฉียวสุนน้อยสุนน้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย ว, ย ว, ยวกลับมาแทะชงมันเก่ากโอ้โหโอ้โปีง ไ, งไม่จะหมาลงสายละโอ้ จริงๆริัจริงก็ทาผจริงมันด้มาเราไม่แข็งมันจะแข็งหนักแค่ไหนตัวมันไม่ยกดหยุ่นเลยหนัก็จะเป็นอย่างนั้นพราะผมไปลองยังพอตุ้งใแล้วพอไปกินของร้อนบากๆมันก็แข็งกลัมาอีกพอกินของเย็นมันก็ตายตัวยืดหยื่นดีั็เป็นอย่างงี้หละกการแก้ที่เราเห็นก็คือการทำให้มันเย็นลงเย็นลงไอ้ขีดที่พอดีไม่ใช่เย็นเกินไปเย็นกนไปมัจะไม่ดีจะไม่สบายเย็นไอขีดที่เรารู้สึกสบายตัวที่สุดสบายตัวที่สุดแล้วมีพลังที่สุดนะครับ นั่นแหละนี่ก็คือการเจลการปวดตึงนะครับแต่แล้วถ้ามันเป็นมากๆานะมันเป็นมากๆเนี่ยพอตึงอันนี้จะกดรัดเส้นเลือดนะครับถ้ามันตึงมากๆมันจะกดรัดเส้นเลือด พ, พอมันตึงมันแข็งมันกดรัเส้นเลือดปุ๊บเนี่ยเลือดตรงจะวิ่งผ่านไม่ได้พอวิ่งผ่านไม่ได้มันจะมึนแล้วก็ชาเป็นไงนี่แหละวิ่งผ่านไม่ได้มันจะมึนแล้วก็ชานะครับ พอมันมึนล้วก็ชาเนี่ยอ้าวเป็นไง น, นะพอมันมึนชาก็แย่สินะมันจะมีทั้งปวดตึงมึนชาแล้วก็ดีร่วมไปเลยแล้วนะควาจริงอาการมึนชาเนี่ยในสมัยก่อนนิพนธสมัยก่อนก น, นะเกิดจากเพราะว่าเย็นเกินสมัยก่อนเกิดจากเพราะว่าเย็นเกินนะครับเมื่อเกิดจากเพราะว่าเย็นเกินปุ๊บเนี่ยวลายเย็นมากๆเสริ่มจะหมดตัวพอเริมหมดตัวปุ๊บเริ่มลมไหล ย, ยังไม่สะดวกมันจะมึนชา เพราะันการแก้ในสมัยก่อนหมอแทนจีวรจะให้ยาร้อนให้วิตามินร้อนนะครับก็ให้วิตามินบีหนึ่งวิตามินบีรวมให้แคลเซียมนะให้ธาตุเหล็กต่างๆให้วิตามิน C ยาที่กระตุ้นการไหลเรื่องนมยาร้อนนะพอให้พวกนี้ไปมันจะร้อนขึ้นแล้วมันจะหายถ้าหมอแผนไทยก็จะให้ยาร้อนให้เป็นจารกูลให้พริกกิงข่าตะไคร้ตะไคร้กระเพราโหระพายาร้อนอะไรสารพัดนะ ถาอยากรอนเขไปเรื่องลมไหลเดือดก็จะหาาเป็นแพทย์ทางเลือกก็จะให้รำปิ้งถ้วยในสมัยก่อนเขาจะเอาํามาตั้วใส่งาน้ำมาตั้วหกหกหกไปขยำกับเนื้อถ้วยน้ําวา อ่าย้ำก็ย้ำขอไป้องปิ่งกินนะครับเพราะว่าในรัมันมีวิตามินบีหนึ่งวิตามินีรมวรมเยอะ่นในงานมีแคเลเซียมตอนค น, น, เ, นเนี้ยจะกระตุ้นการไหลเวียนในเกลือมีโพแทสเซียมเยอะแต่พอกินเข้าไปไม่ไเป็นขบวนการโซเดียมผลให้ความหอบหัวใจมีผลทำให้หัวใจทำงานมากขึ้นนะครับพอ ก, กินเข้าไปพวกก็อ่ามันก็ไหลเวียนดีมั น, จะจะ น, ก, นก็จะหายแต่พวกนี้มันจะหายคราวนี้เนี่ยพอเข้า็นว่ามันหาย ยุคนี้พอเขาก็ใช้มาเรื่อยแต่ยุคนี้มันร้อนเกินพอมันร้อนเกินต้เน เ, เหตุขออะไรย่างรแต่อาการแบบเดียวกัน ก, ก็คือมึนชาเย็นเกินก็มอนชาร้อนเกินก็มอนชาแต่ร้อนเกินมาเกิดการ กล้าแล้วเป็นค้างแล้วกดรัดซึ่งเลืองตอนนี้หมอเขาก็เคยได้ผลเมื่อกันใช้วิธีนี้ก็ทําเหบืองเก่า้าอยารอยเข้าไปพอให้าลอยเข้าไปแรกๆมันจะดีขึ้นเพราะมันจะทะลุทะลวงในกล้ามได้วที่เกรงค้างในมันเลดันให้ให้เลือดทะลุไปพอเลือดทะลุไปมันจะรู้สึกดีขึ้นช่วงขาวเสร็จแล้วความร้อนของสิ่งที่ใส่เข้าไปนะ้น ม, มันจะไปเผาซ้ำกับอีกในตุงแผงเผาซ้ำกับอีกมันก็แข็งซ้ำ ก, กับอีกกดรัดเข้าไอีกเรื่อเาก็ต้องให้ยาที่มากขึ้นแรงขึ้นเพื่อจะดดััันนความมแข็งก เลื่อไวพอให้ยาที่มากขึ้นแรงขึ้นมากขึ้นแรงขึ้นแล้แกล้งเข้าควาดันได้แต่พอมันเผามากๆมันกดรัดมันกดตัดแรงมากเข้ามันไม่ยอมให้ทะลุเลยอันนี้พอไม่ยอมให้ทะลุเลยสุดท้ายหมอเขาจะตัดใจใช้สเตียรอยด์ครานี้นะพอตัดใจใช้เตลอยด์ปุ๊เมียเขาก็จะกลัวโง่นะ อ่อพอใช้เซลอยมันเป็นยาที่ร้อนมากเรลอยมันจะร้อนมากเลยเซลอยจะช่วยไหลเวียนลือดลมอย่างดีอาการจะดีขึ้นอย่างเร็วอย่างปฏิหารกินปุ๊บดีขึ้นปั๊บเลยโอ้เลือดลมไหลเวนดีเพราะว่ามันร้อนมากมันจะดันพารุธเลอมทุกส่วนในร่างกายเพราะว่าโรคพันธุ์ไข้เจ็บมันเกิดจากเลื่อดลมติดขัดเลือดมจะไหลเวียอย่างสะดวกเลยแล้วร่างกายจะดีขึ้นอย่างเร็วพอดีขึ้นอย่างเร็วปุ๊บความร้อนของเซลอยที่มากมันเผาซ้ำเข้าไปอีกรอกทั้งตัวเลยทีนี้ ก้ามแล้วจะเปล่งครั้งล็อกทั้งตัวเลยนะเอล็อกทั้งตัวเสร็จคราวนี้ใช้ ย, ยาอะไรก็ไม่ดีขึ้นแล้วใช้ ย, ยาอะไรก็ไม่ดีขึ้นแล้วใช้ ย, ยาอะไรก็ไม่ดีขึ้นแล้วคนระับอนัอนสไลดสลดยเป็เา ย, เปยาที่ร้ายมากแม้มองแล้วจุบันเองก็บอกว่ามันทําให้กระเพาะทะลุ ทีมมอแมพิบานั้นเขา ก, าก็ผลขั้นเกมมันจะทำให้กระพาทะลุทาให้ไตเสื่อมทาให้บวมทาให้กระดูกไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดไม่ได้นะครับทำให้ภูมิผั น, นลดทาให้เกิดโรคสารพัดโรคนะครับพอให้เซโรยพวกนี้ยาปฏิชีวนะก็ไม่ได้ผลยาลยอะไรก็ให้ไปก็จะไม่ค่อยได้ผลละคนที่ให้เซโรยก็ซวยแล้วนะใครได้รับเซโรก็จะสวยละถึงตอนนี้ครับนั่นแหละก็แยเนี่ยหลายคนยี่ต้องมาป้นเที่นี่นะพคุณไมีวิธีอื่นเราก็แพ่ไปกี่คนสเกิดกู อ่อนหรือคนแอบเป็เด็เสียลอยได้ไม่งั้นไม่มีทางคุณรอดขนาดนั้ น, ห ล, ะนะหลายคนเนี่ยมีบุญยนงไงก็ไปลงกนั้นมามาเลิกเสียลอยที่นี่นะครับมาแบบเพราะว่ากินเสียลอยแล้วหมอแผนาัวจุบันแกไม่ได้ทางหมอเองเก็ยอมรับว่าเขาแกไม่ได้นะพอกินเสียลอยเขจะยอมรับว่าเขาแก้ไม่ได้แล้วเขาก็จะให้คนไข้กินไปเรื่อยๆถ้าหมอใจดีมีหมอคนนึงใจดีบอกนะคนไข้ถามว่าจะหายไหม เขาก็บอกกินไปเรื่อยๆนะมันไม่หายหรอกนะมีแต่จะหนักขึ้นเขาบอกมองในปะัจจบันมต่จะหนักขึ้นถ้าคุณอยากจะร่าคุณไปหาทำให้ท่านบำบัดก็แล้วกันมีแพทย์ท่านนึงบอกเออดีมากเลยนะขนาดรากาคนไข้ไม่หายเขาก็ยังใจดีบอกนะรัษาคนไข้เอ็ต้องให้เซโยสุดท้ายให้เซโรยแล้วนคนไข้ก็หนักขึ้นหนักขึ้นไนงะกินเซยวันละสิบเม็ด โอ้โหวันนึร้อนฉันชอนไม่คด้มาได้งไงแล้วก็ต้องมาเข้าค่ายแล้เข า, ก, าก็ทิ้งรือได้รถแล้วก็ทิ้งลงไปได้นั่นแหละก็ไม่มีทางเลยเราจะพ้นจากเรือได้แต่เราได้ดเดียวเลยนะมาแพร่ไปกี่คนต่องนั้นไม่มีทางไม่มีทางเลยจะไม่มีทางค้นจารือได้ ่เป็นความซวยของคนไขนะ้ที่หมอเขาไม่รู้วิธีรักษาแต่จริงเก็ริงใจแหละเาก็มันไม่ไม่รู้รรทยังไงเาห้อง็น่างนันพนะอกินใเป็นร้อนนี่ติดกับเป็นเยละมุนชามจ ะ, ะรักษายังไงรักษาก็เป็นแทจกี่พุทธละอ่านะนี้มาดูทางออกนะทางทางออกให้ดีๆนะครับแพทย์กี่พุทธก็ใส่เย็นดร้อนใส่เย็นก็ไปลดความร้อนลงพอใส่เย็นลดร้อนกล้ามเน้อมันก็ถายพอกล้ามเนื้อกล้าเนื้อถ่ายแล้วเมลมเขาวิ่งุทะวง ก็กำลังหายมนไม่กล้าจะเรื่อนโลก็ัวิเคราะห์รูดรวออกวิเคราะห์รูดวมมันก็หายคมีแค่นี้แหละไม่ซัอนเลยแค่นี้มันก็หายเพะฉะนั้นคุณแข็งตึงปวดมึนชาขึ้นไค่อยๆหายไปหไหายไปแต่มันมีเคล็ดของมันอยู่เป็นการว่าถ้าคุณกินสมุนไพรที่เย็นสดในเบื้องต้นให้กินสมุนไพรที่เย็นสดก่อนนะถ้ากินสมุนไพรที่เย็นสดแล้วรู้สึกมันมึนชาหรือกัเดิมนะมันมึนชามากขึ้นหรือมันหนาวสัทธาให้กดต้องร้อนใส ให้กดน้ำร้อนใส่ก่อนเพราะไอร้อนตีกับเป็นเย็นนั้นในส่วนที่มันตีกับเป็นเย็นน่ะมันมีภาวะเย็นที่เลือนไปเลี้ยงไม่ได้น่ะพอเลือนไปเลี้ยงไม่ได้มันก็จะเจ็นน่ะมันต้องการพลังงานอุ่นอยู่มันต้องการควาร้อนอยู่ให้เรารักษาทางร้อนแลเย็นไปพร้อมกันก็คือกดน้ำร้อนใส่ก่อนหรือใช้เย็นผ่านไปกับข้าวก็ย่าต้องกินผัดสดให้ใช้ผัดนึ่งเย็นผ่านไปให้คุกินอันนี้ไปก่อนนะครับกินไปก่อนถ้าถ้าเติมเติมน้ำเติมร้อนเข้าไปนะโทรฟีก็กดน้ำร้อนใส่กับข้าวก็ รสผัดสดลงกินผัดลูปมากขึ้นกินผัดยิ่เย็นผานไฟนะถ้ามันยังรู้สึกหนาวเย็นอยู่นะครับให้ใส่สมุนไพรที่กรอนเล็กน้อยนะครับเป็นอย่างนั้นะครับมันจะไอตัวผัดไฟหรือตัวใส่สมุนไพรที่ก้อนนั้นจะเข้าไปรักษาเพราะวาเย็นเกินส่วนสมุนไพรเล็เย็นหรืออาหารเล็กเย็นนะครับจะเข้าไปรักษาพาว่าร้อนเกินกระนารเกิดัมันจะรักษาสองขัาพร้อรงกันเพราะถึ้รู้สึกดีขึ้นเลยนะครับ จะมีคนไข้อีกลัฒน์หนึ่งนะครับทําท่านแบบนี้แล้วจะยังไม่ดีขึ้นแสดงว่าคนไข้นั้นมีเพราะว่าเย็นที่ติดกับชนิดที่ว่าขาดวิตามินร่วมด้วยถ้าถึงขท่านขาดวิตามินร่วมด้วยเนี่ยเขายังจรู้สึกเมินชาอยู่นะครับเขายังรู้สึกเมินชาอยู่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยรู้สึกหําเย็นเมินชาหนักอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วลักษณะอย่างนี้ให้ทําดําปิ้งกล้วยร่วมด้วยนะครับให้ทําดังปิ้งกล้วยร่วมด้วยปิ้งกล้วยทําไงครับ ใช้รำประมาณหนึ่งถสองช้อนแกงรำอ่อนๆหนะ้าเนื้อหึงสองช้อนแกงมาคั่วให้หอมนะใช้งาถ้ามีนะถ้าไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้าได้งาก็จะยิ่งดีดดนะใช้งาประมาณเท่ากับข้อนี้ก้อนไงนะครับหรือหนึ่งช้อนชาใช้งาหนึ่งช้อนชาคั่วให้หอมแล้วโขลกให้ละเอียดเสร็จ แ, แล้วเอาทั้งราทั้งงาที่ละเอียดพวกนี้นำะมาขยํากับเนื้อของอ่ากล้วย่างวาสุไนะครับเปิดไม่ คราวนี้เปือกไม่เอาแต่รตักษารคของพ่อเลยกินทั้งเปือกอดีแต่คราวนี้ไม่กินทั้เปลือกนะเอาเปือกออกควทสุกไป้วีนะเอาเปือกออกเอาแเนี้ยขยันขยังเท่ากันทาบางๆหน่อยบางๆเข้ากับามือ น, น, น ะ, อะให้มันบางๆหน่แล้วคืก็เอาไปตองหอ่อไปตองที่มันไม่เบือะนะๆๆไปตองตัก็ได้ไปตองอะไรก็ได้หอ่อหอเสร็จก็ไปย่างฝ่ยย่าง ไปพล้กมาตั้งประมาณสิบนาทีนะมันจะหอมนะมันจะแข็งแล้วก็หอมนะหรือถ้าใครไม่มีเตาถนะ่านแล้วนะก็ให้เราไปวางใส่กระทะกระทะตั้งไฟด้วยตเตาแก๊สตั้งเตาอะไรก็แล้วแต่นะให้ให <Yeah. S 1> ้มีความร้อนขึ้นไปที่กระทะก็แล้วกันนะรับว่าเรามีกระทะที่มีความร้อนก็เอาเอาพวกนี้แหละนะ ไอสมุนไพรตอนนี้ที่เราทํเนี่ยหอม เ, เนี่ ย, ยรับติกล้วยนหอมไปตอนในยวางบนกระทะติ๊กไปติ๊กมาติ๊กไปติ๊กมาซึา่งวที่ก็สุกเฉยประมาณมันมมก็จะหอมแข็ง <c oughs> กินมาละหอมพอเลยจะไปกินตะนร้อนเกินจะไปกินเกินเนี่ยเห็นบ้าดียวท า, า, ามกันเยอะตักใครบ้างไม่ได้ห <c oughs> อมเดียวจีิงหอมเลยแต่มันอร่อยอร่อยนะหอมมากินโอ้โนั่งหวานนั่งมันนั่งอร่อยรสชาติดีมากยานตันี้เดี๋ยวเราจะเด็กๆไปชอบให้เด็กๆผู้ใหญ่ชอบเนั้นมอร่อยฮะ เอาไปะคิวตัวตะคิวอันตะคิวเย็นดี๋ยวเดี๋ยวยาขึ้นมน่งร้ยเด็กๆาขาะควเอคิก้าไปเนี่ยนะครับถ้าในภาวะลักษณะที่คนใช้บืญชาจะขาดไม่จะอมีด้วยเขาจะดีขึ้นเร็วเขาจะดีขึ้นเร็วนะครับเขาจะเดินอาการเก็บอาการปวดอาการมึนอาการชาเนี่ยจะหายไปเร็วเขาจะปกติเร็วมีคนไข้โรคเกาตรคตัวมาตอยหลายคนนะที่มีการปวดมึนชาเนี่ยใช้วิธีนี้แล้วดีขึ้น นี่แหละต้องทำรำปิ้กลวยกินคู่กับคอเลฟินนั่นเองนะบางทีเรื่องอื่นก็ยังทาไม่ได้เลยนะเขาใช้แค่นี่แหละรำปิ้ง ก, กว้วยเนี่ยกับน้ำาโคลฟีนกินคู่กันเก่นคนไข้สัญญาหเนี่ยที่ที่เขาต้องกันอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรท่านชนบุรี ม, มันเป็นโรคศีรษะสมอที่นี่อะไรกี่หลอศีะโรงพยาบาลอะไรนียสีบหเ่า อ, อะไรไใ่ัทยาหรือเปล่าลสตาี เอไม่ใรจะไางการเศรกไม่ไม่ใช่ราะัมีรูปสิษมาอยจำจำไม่ได้ว่าเอชื่อชื่อโรงพยาบาลตรงมาโรงพยาบาลรูพัทยาอะไรอย่เง่น ไ่อนาจำชื่อไม่ได้ช่ไหนะคือจำชื่อไม่ได้ของใครจำได้แต่กิโลแกิโลุกิโลสิบืล่ะจำไว้อยู่นะจำไว้อยู่ทีรู้สึหนาลงที่นี่นะครับอ่าฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชื่อไม่ถ้าไม่ชื่อว่าพัทยาก็คือชื่อว่าซาไกยุอะไรนี่แหละ ฮะยังยังไม่ได้ตรวจชายตรวชาก็เก็บมูลมาอ่อีก็จะไปหยพานข้นอืมอ้้ถ้าชื่อโรงพยาบารจหยิบนี่มันมันนีประหยิบหลายๆยนมันนีระหยิกิโลสิอะไรนี่แหละะอ๋อถ้ามีโรงพยาบลนงทางชนบุรีเขาให้ข้อมูลมาว่ามีคนไข้หลายคนที่ไปใช้สูตรนี้ไงเพราะว่าเขาก็เอาสูตรตัวหัไปช่วยคนไข้ที่โรงพยาบาลแต่แล้วมีคนไข้หลายคนที่เป็นลักษณะมึนชาแล้วใช้ลำพิงก้วยเนี่ยยืมคู่กันกับโอเเตรเนี่ยก็หายเร็วขึ้น ระวัง น, นะคไม่ใช่ว่าคนที่ปวดมึนชาเนะี mm ่ยเขหายเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งทีายืนยันว่าหลายคนทาได้ผลนะครับตรงนี้นะแสดงว่าเขาเกิดจากการการกา ร, การมึนชาครั้งนี้เกิดกการขาดวิตามินก็มด้วยนะครับแต่ถ้าการเกิดการมึนชานะ่ะเกิดจากการเกินในกระที่คนไห้เกินวิตามินนะถ้าให้สูตรนี้เข้าไปมันจะแย่ลงเร็วไม่ใช่มันจะร้อนอ่ะมันจะร้อนจะไม่สบายต้องต้องดูนะว่าคนไข้สบายตัวไหมถ้าเขาสบายมีพลังชีวิตแปลว่า แปลว่าเป็นการขาดที่ต้นมีแต่เขารู้สึกโอ้โหออกร้อนตัวเพียเลยอย่างเงี้ยนะออกร้อนแล้วก็เพียอยางเงี้ยนะหรือมีอาการร้อนเกินขึ้นมาแท่อย่างเงี้ยแปลว่าร่าายเขาไม่ได้ขาดที่ต้มินพวกเนี้ยไม่ได้ขาดคอามรอนพวกนี้นะครับถ้าถ้าไม่ได้ขาดควมรอนพวกนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้ไป่ต้องยายามก็ต้องไปดูเอานะครับเพราะฉะนั้นในขั้นต้นนี่เราก็เออกินน้ำบล็อกฟีมก่อนดีใช่ไหมถ้าไม่ดีเดี๋ยวทาล่างล่างดิกลกินคูซี่อะไรอเงี้ย มันไม่ต้องไปเปืองไงยังไงขี้เกียจทำบุตรีทำเล่นก็ได้นะครับซึ่งรำลึกกล้วยนะถ้าจะเปรียบเทียบไปเนี่ยถ้งก่อนจะพูดเรื่องรำลึกกล้วยอะไรไม่เี่ะพูดเรื่องการกระดูกหุ้มข้าไปได้พูดที่นั่ก็ได้พูดที่นี่อะไรดีก่าจริงๆแล้วอาหารเสริมเราคุณไม่ต้องไปซื้อกินหรอก อาหารเสริมยอดที่สุดถ้าจำเป็นต้องทานกา้องเสริมพลังร้อนเนี่ยหรือว่าเสริมอาหารนี่นะลำปิงกล้วนี่นแหละดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดถูกที่สุดคุณภาพดีที่สุดเข้าเซลเราได้ดีที่สุดดีกว่าวิตามินอาหารเสริมที่ผมขายอยู่ทั่วโลกผมรับประกันรับประกันแล้วท า, านดที่สุดได้คุณกินเปรี้ยวเทียบกันเลยของแบงก์งของอะไรก็แล้วแต่คุณมากินเปรี้ยวเทียบอะไรกับลำปิงกัวของเรื่อง ถาร่างกายเกิดอบการขาดวิมีนคนเราก็จะนับรองเลยเราไม่กล้วสุดยอดเยอะมาทั้งบริสุทธิ์ทั้งปริมาณอะไรได้แล้วทั้งคุหภาพสุดและเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการ ร่างกายต้องการอาหารนะร่ากายไม่ต้องการยาอาหารเป็สิ่งที่เลี้ยงชีพไม่ใช่ยายาไม่ใช่สิ่งที่เลี้ยงชีพยาไม่ใช่ถึงปกติที่ร่างกายต้องการแต่อาหารคือสิ่งปกติที่ร่างกายต้องการยาเรนเป็นเคมีเปนสิงแฝงปลอมนะแต่อาหารนี่เป็นของธรรมชาติของจริงที่ร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นร่างกายต้องการของจริงมากกว่าของปลอมเห็นไหมอะไรไม่งั้นนะรถของคุณต้องการอะไรจริงมากกว่าอะไรปลอม คนยังคนยังโง่น่ะทุกวันนี้คนหลอกใ้แบ อ, อะไรกอลพี <c oughs> ่จะมีอาารเสริมเนี่ยมันไม่ตู้รองให้ทำที่จามีอาเสริมเพาะถคุณจะไปเชื่อนะ <c oughs> ทานนํานรำไก้วยคิน ด, ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยครับลองเลยอ <c oughs> นนี้คราวนี้เอาไล่ข้อมูลต่อไปจะไปถึงกระดูกพอพูดถึงเือกระดูกฟูเสร็จนะจะจะได้ให้พกพูดถึงกระดูกฟูพูดถึงเลือดคอสซี่หน่นะไปหมดประจเดือนสานลูกกินฮอร์โมนเลยหน่อยเสร็จแล้วก็จะ การจะได้พักแล้วก็มาต่อกันโรคกกอื่นๆภูมแพ้โรคอะไรสารพัดที่เป็นๆกันวันนี้เอาให้หมดสงสัยเรื่องโรคกันเลย ไ, ได้หมดงงกันเลยนะว่ามันคืออะไร